เรื่องภิกษุผู้รักษาทวารต่างกันพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุผู้รักษาทวารต่างกันห้ารูปดังได้สดับมาบรรดาภิกษุห้ารูปรูปหนึ่งหนึ่งย่อมรักษาทวารทั้งห้ารูปรัทวามีตาคือจักสุทวาร หูโสตะทวานจมูกคานะทวานลิ้นชิวหาทวานและกายทวานต่อมาวันหนึ่งพวกเธอเถียงกันว่าตนต่างก็รักษาทวานของตนของตนได้ยากกว่าใครแล้วไปทูลถามพระศัสดาว่าทวานไหนสำคัญกว่ากันพระศัสดาไม่ทรงยังภิกษุแม้รูปหนึ่งให้น้อยใจ ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทวารทั้งหมดเป็นสิ่งรักษาได้โดยยากแท้แม้พบเธอในการก่อนก็ไม่สำรวมแล้วทรงตรัสเรื่องตักกะศิลาชาดกเราทั้งหลายไม่ได้ถึงอำนาจแห่งรากศกทั้งหลายเลยเพราะความเป็นผู้ตั้งมั่นด้วยความเพียงอันมั่นในอุบายเครื่องแนะนำของท่านผู้ฉลาด และเพราะความเป็นผู้คลาดต่อภัยความสวัสดีจากภัยใหญ่นั้นได้มีแล้วแก่เราซึ่งเรื่องนี้พระมหาสัตว์ผู้ได้รับอภิเสกแล้วในเมื่อราชาสกุลถึงความสิ้นไปแห่งชีวิตเพราะอำนาจแห่งรากโศกทั้งหลายประทับนั่งเหนือราชอาณาจภายใต้สเสวตฉัตดทอดพระเนตรดูสิริสมบัติของพระองค์แล้วตรัสว่า ชื่อว่าความเพียร น, นี้สัตว์ทั้งหลายควรทำแท้ทรงประชุมชาดกว่าแม้การนั้นเธอทั้งหลายเป็นชนห้าคนมีอาวุธในมืออยู่แวดล้อมพระมหาสัตว์ซึ่งเสด็จออกไปเพื่อประโยชน์จะยึดเอาราชสมบัติในเมืองตักกศิลาเดินทางไปไม่สำรวมแล้วในอารมณ์คือในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ท, ทางกาย ที่รากศกทั้งหลายนำเข้ามาด้วยอำนาจแห่งทวาลมีจักษุทวาลคือทางตาเป็นต้นในระหว่างทางไม่ประพฤตในโอวาทของบัณฑิตลาดูอยู่ถูกรากศกทั้งหลายเคี้ยวกินแล้วถึงความสิ้นชีวิตไปส่วนพระราชาผู้ทรงสำรวมในอารมณ์เหล่านั้นไม่เอื้อเฟือถึงนางยักษินีผู้มีเพศดุจเทพธิดาแม้ติดตามไปอยู่ข้างหลัง สเสด็จถึงเมืองตักกศิลาโดยสวัสดิภาพแล้วถึงความเป็นพระราชาพระราชานั้นคือตถาคตนี่เองแล้วทรงตรัสว่าภิกษุควรสำรวมทวารแม้ทั้งหมดเพราะการสำรวมทวารย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้ความสำรวมทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เป็นคุณยังประโยชน์ให้สาเร็จความสำรวมในทวารทั้งปวงย่อมเป็นคุณยังประโยชน์ให้สาเร็จพิกษุสัารวมแล้วในทวารทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้อธิบายความสำรวมคือเมื่อรูปารมณ์อารมณ์ที่เกิดจากรูปเป็นต้นนั้นมากระทบ คือเป็นผัสสะในทวารมีตาหรือหูเป็นต้นเมื่อมีความสำรวมย่อมไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่ยินร้ายในอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่ยังความหลงให้เกิดขึ้นเพราะความเพ่งเล็งอันไม่สม่าเสมอความสำรวมคือความกั้นความปิดความคุ้มครอง ชื่อว่าเป็นกิริยาอันภิกษุทําแล้วในทวานนั้นๆย่อมเป็นคุณยังประโยชน์ให้สำเร็จความสำรวมหรือไม่สำรวมย่อมเกิดได้ในวิถีแห่งชวนาจิตข้างหน้าด้วยกุศลและอกุศ ล, ละธรรมหอย่างได้แก่ศรัทธาความเชื่อขันติความอดทนวิริยะความเพียรสติความระลึกได้และปัญญาความรู้ ถ้าไม่สํารวมอากุศลธรรมห้าย่อมเกิดได้แก่ไม่ศรัทธาไม่อดทนไม่ภาคเพียนไม่มีสติไม่มีปัญญารู้สึกตัวความสํารวมแดอย่างอันได้แก่สํารวมกายสามไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดประเวณีสํารวมวจีสี่ ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลไร้สาระทำให้คนฟังเสียเวลาและสำรวมใจหรือมโนทวานทั้งหลายมีอนาพิชาไม่อยากได้ของของผู้อื่นอภยาบาทไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นเป็นที่8ความสำรวม8ดอย่างนี้ ยอมพ้นจากทุกข์มีวัตตะเป็นมูลได้ในการจบเทศนาภิกษุห้ารูปตั้งอยู่ในโซดาปฏิพลเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละ